โอกาสค ร, รูบาอาจารย์เพื่อนสาขารรมิกที่เคารพเจริญพรแม่จีคนครูบาจกพัชกาทุกท่านเราทาวัดเย็นเป็นกิจวัตรของชุมชนไปเกี่ยวกับกลุ่มมาแล้วกลุ่มไม่มามองแล้วทําวัดกันตอนเย็ น, ตอ น, นตอนเช้าตีสี่ หาัจากนั้นก็มีการฟังเทศฟังธรรมเปิดสื่อบ้างหลวู่เทียนหลวงมเขียนอาจารไปสารอาจารย์ไปสารอยู่ทางประเทศบ้างหลวงพเขียนอยู่ทางประเทศบ้างดูว่าครูบาอาจารย์ท่านใดตัวนี้มันก็เทศไปอย่างนี้แล้วก็มาศึกษาปฏิบัติธรรมกัน โดยการหันกลับมาดูกายดูใจของเรามันทําหน้าที่ของามันนะทั้งวันนะแก่ทุกร่างกายของเราแก้ทุกข์เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวขับถ่ายนั่งนานก็ไม่ได้เป็นทุกข์ยืนนานก็ไม่ได้เป็นทุกข์เดินนานก็ไม่ได้เป็นทุกข์บางทีเราก็เหมือนจะว่าเผลอ นั่งไปรู้ว่านั่งเดินไปรู้ว่าเดินยืนไรู้าไม่ไม่รู้สึกตัวไปทางตาทางหูเสียงบ้างอะไรบ้างกะเผือปรุงไปอันนี้แหละที่มันเป็นต้นเหตุถ้าเราเกิดการปรุงการแต่งแล้วก็อารมณ์มันก็ไม่ถูกรู้เท่ารู้ทันอย่างี้ก็จนกว่าเราจะฝึกหัดสติจนมันจเจริญว่องไว ก็ได้ว่าใส่รูปแบบนี่แหละเป็นเกณฑ์ชี้วัดเบื้องต้นเลยชี้วัดว่ามันรู้กับมันหลงการเคลื่อนมือกําหนดรู้ความทุกข์ของกายที่มันเคลื่อนไหวแต่ละขณะมันทุกแก่ทุกข์ก็มันตลอดเวลาเวลาแต่ว่าบังเอิญขณะที่มันนั่งเดินยืนนอนเราไม่ได้เจตนาเราก็จึงนั่นแหละมายกมือเต็ี่ชั้นวะอั น, นี้มันหลงส้นเลยนะกิเลส มันไม่เคยยกมาก่อน14ฉวับเป็นนี้บทที่เราเคยใช้เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดมาเกิดมือทําดีก็ได้เลือทําไม่ดีก็ได้มันเกิดจากจิตที่หลงทำแต่เรามานั่งแล้วก็รู้สึกตัวไปเมื่อจะมีปรากฏการณ์อาการต่างๆของกายแสดงออกรูปโลกอย่างเงี้ยแสดงออกโลกเป็นรูปรูปเป็นโลกไง มีอาการบอกถึงเจ็บนั่นเจ็บนี่เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเอวเจ็บหน้าอกเจ็บหลังเจ็บไหล่สแสดงเป็น โ, โรคโผล่ขึ้นไหมล้วก็เกี่ยวข้องให้ถูกต้องอาจจะนวดหรืว่าผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขให้ไปหาหมอฉีดต้มนาลปาตัดเราเห็นเราเกี่ยวข้องถูกต้องมีผู้รู้มากมายอย่างที่นี้ก็มีผู้มีการเป็นหมอใหญ่มาบวชเยอะ รวมในการรลือหมอหนมหมอน้อยต่างๆจำดานทางด้านโรคทางกายส่วนโรคทางจิตใจคือเวลามันโกรธมันโลดมันหลงมายชาริษยามันกังวลวิตกต่างๆมันเกิดขึ้นมากลุ่มเบื่อน้อยใจคี้เหงาขี้ว้าเหว่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นโรคของจิตของใจเราเราก็ต้องแก้ให้ถูก แกในลักษณะของผู้จัดหน้าที่ชีท้ทางออกไว้คือให้มีตัวรู้ตัวสตินะตาในก็แล้วตัวสติตัวปัญญารู้เท่ารู้ทันอารมณ์นะครับปรับสมดุลจากข้างในเลยทาไมมีตัวสติมันก็ปรับเลยเมื่อรู้ว่ามีอารมณ์มันก็ปรับให้เกิดความสมดุลพอดีภายในตัวสติยังไม่ว่องไวเป็นไหวพิปฏิภานก็กลับมาหาฐานกายก่อน สติดูจิตยังไม่เป็นสติดูสติยังไม่รู้จักก็เหมือนกับหาตังค์ยังไม่รู้ว่าที่เก็บกันมันอยู่ตรงไหนมีบัตรเอทีเอหรือว่าการ์ดรูดหรือว่าเงินสดหรือว่าวิธีถอนจากธนาคารมาใช้ยังไม่รู้จักเลยเรื่องทีไปถอนไม่ยังไม่มีนะสตางค์ยังไม่มีไปถอนก็ก็ไม่ให้หรอกอันนี้ต้องกลับมาทํางานก่อนแล้วก็สอนกันให้ทํางาน ไปได้มีเงินมีทองแล้วก่อนที่จะสอนให้ทํางานก็ต้องมีความรู้กันมีความรู้ให้มันแตกฉานตาระแนนวิชาหรือว่าให้มีประกาศนียบัตรรับรองหน่อยส ถ, ถาบันไหนส ถ, ถาบันของรัวมหาวิเลยหรือว่าอาชีวศึกษาประถมมัธยมอุดมศึกษาต่างๆให้รู้หน่อยจบอะไรจะได้จ่ายเงินเดือนเงินถูก อันนี้เป็นลักษณะของการทำงานทางโลกทางในกัเหมือนกันเป็นกระบฐานที่รู้จักฐานกายกายนั่งกายเดินกายยืนกายนอนตั้งแต่หัวจรดเท้าอย่างนี้เป็นต้นให้รู้จักกลับมาทุกครั้งที่รู้สึกทิดตัวงานนะสติมันก็จเจริญตรงนี้ความมองงวัยวัพปิปิพันความเป็นปกติครับปรากฏใหม่ๆไม่ปกติหรอก บางที่เพ่งเขาจะไปปกติได้ยังไงแต่ก็ไม่ผิดบางทีเผลอไปคิดนะมันก็ไม่แปลกความเผลอมาตลอดอยู่แล้วปกติหนึ่งวันก็เผลอตลอดแต่ว่าเรามาฝึกความรู้สึกตัวเกณฑ์ชี้วัดมันรู้สึกในการเคลื่อนไหวหรือไม่รูปแบบสติจังหวะตัวนี้มันจะตีกอดให้กิเลสของเรามันดิ้นกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงรัวจริตนิสัยที่มันมีอยู่นอนเนื่องอยู่ จะแสดงตัวจะดิ้นทันทีมันไม่ต้องไปดูอะไรมากเดินจงกรมยังไงหรือว่าสร้างจังหวะเป็นยังไงมันจะแสดงปรากฏออกมาความเป็นปกติหรือว่าสุขทุกข์ความไม่ปกติต่างๆเราก็เริ่มเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตเห็นตัวของตัวเราที่เราชอบเผลอห ล, อลงเข้าไปในความคิดการปรงการแต่งนย่านะมันก็จะปรับไปปรับมาบางทีก็ เผลอลงก็ไปกับความคิดก่าลมบันทีก็เผลอหลงก็ไปในความรู้สึกที่กายเราก็จะได้รู้สึกทุกๆขณะเป็นเรื่องหนาที่ดูกายก็ต้องเห็นจิตนะมันอยู่ด้วยกันแล้วก็เวลาจิตมันแสดงออกกันว่าไวทา้ทางตางหูจมูกลิ้นผัสจระกลางๆมันก็ย่อมถูกรู้เท่ารุตันละเอียดลงไปเวลามีความคิดอย่างนี้นเข้าไปในความคิดถอนออกมาได้มันจะเห็นอยู่ อันนี้เราเป็นแบบฝึกหัดเป็นบทเรียนนะเราจะต้องเริ่มต้นที่ความรู้สึกที่ตัวก่อนแต่ถ้าทําเป็นแล้วอนะการเคลื่อนกันไว้ที่เป็นเองมันก็มีอยู่ทั้งวันวิบตาหายใจแล้ว่าการคิดอันนี้ละเอียดที่สุดเลยมันเป็นตัวนับตาเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ว่าเราก็สามารถที่จะคิดเจตนาคิดเย็วบะมาคิดแล้วก็ ใช้ทำหน้าที่คิดและพูดคิดแลรทำเนี่ยได้ตรงหรือว่าทําให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้มากที่สุดไอ้ตัวนี้ก็คือลักษณะของอาการที่มันละเอียดแท่ว่าเราสามารถรู้ได้สติที่มันว่องไวเป็นไหวพิพิธภัณฑ์จะรู้ได้เห็นความคิดเเห็นธรรมชาติของจิตความคิดที่เป็นกุศลความคิดที่เป็นอกุศล น, นะก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมชาติที่เป็นอารมณ์ ทางนอกเราเห็นต้นไม้ไหวไปไหวมาลมพัดว่าพัดลมมันมากระทบกับเราตัวเราจีวรหรือผมคนที่มีผมยาวคงสัมผัสได้ผมมันกระดิกกดิกมากระทบตัวอีกทีอันนี้ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันแต่ว่ามันเปลนแล้วนะของลมที่พัดคราวนี้อารมณ์ที่อยู่ภายในเป็นธรรมชาติที่เป็นนามธรรมก็ต้องอาศัยนามธรรมมารู้เท่ารู้ทนันคือตัวสติปัฏฐาน สติสัญชาตะยานสติสามัญชนก็รู้แบบสามัญสามัญลักษณะไปแบบคนทั่วๆไปปุถุชนก็รู้แบบหยาบหนิดยังไงนะปัญญาชนก็รู้แบบวิชาการที่ละเอียดหไยตามสาขา ว, วิชาต่างๆแยกกันไปแตกต่างกันไปนอัจฉริยะชนก็รู้ลึกเฉพาะเรื่องไปอัจฉริภาพในโลกนี้ก็มีไม่กี่คนอย่างนี้กําหนดให้เป็นปูชนียบุคคลมีอัจฉริภาพ แดงออกจนทางสังคมยอมรับแต่นี่เป็นลนักษณะของอาลยะอาลยะหมายถึงอิริศัตรูที่ทําให้เราทุกข์อยู่เป็นประจําก็คือความโกรธความโลภความหลงตัวนี้เป็นพ่อเป็นแม่เข้าอาเลในตัวหลงเนี่ยเวลาไม่มีสติก็พาไปอมากมายแล้วเกินทำให้เราเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วแก้เท่าไหร่ก็ไม่จบนละยปัญหาเนี่ยยิงคิดยิงดินยิงหลัด ยิงแก้ปัญหาใหญ่เล็กลงเล็กลงปัญหาที่ละเอียดลงไปที่เราแก้ไม่ได้มันก็ตามมาดังนั้นเราก็มารู้จักลักษณะของความคิดตังต้งใจหยาไปหาละเอียดเลยมันอยู่ในตัวเรานี่เองความทุกข์หลังของความทุกข์สมมติฐานต่างๆจนกระทั่งเราเห็นแล้วอ๋อเราอยู่ห่างเขาได้โกรธก็กลับมาเป็นปกติหรือปกติดูความโกรธที่มันเกิดขึ้นไหมันเห็นอยู่มันมีอยู่ เริ่มต้นจากปฏิฆาเองนะนะปฏิฆาคือความหงดกิดลำคาญใจเบื้องต้นเล็กๆหรือว่าจะเกิดความโลภเกิดราคาะขึ้นมาเล็กๆไปให้ราคาให้ความสนใจใส่ค่าลงไปปรุงแต่งเอาพื้นฐานของจิตเดิมๆทิศฐีความเห็นเอาไปใส่ลงไนปะเกิดเป็นราคะขึ้นมาท้ายสุดก็เป็นความโลภอยากได้เป็นของกูของเราเดี๋ยวเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้กัน เราสามารถอยู่ห่างได้เลยว่าอลิและไะยะคือระยะอ่างไขจากศัตรูของชีวิตเราไปได้ดำเนินชีวิตไปอย่างความผาสุกไปโดยผาสุกและมีสวัสดิภาพของจิตที่จิตเป็นปกติเป็นมาตรฐานเป็นบ้านเป็นที่อยู่มาตรฐานของกายก็มีอยู่วิธีวัดต่างๆมากมายในโรงพยบาบาลมาตรฐานของจิตก็คือวัดเอาเองก็คือปกติทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัว อาจการเคลื่อนไหวได้มือน่นแหะมันวัดอยู่แล้วหยับหยากเดินจงกรมนั่นและวันวัดอยู่แล้วถ้ามีความไม่ปกติมจะฟุ้งฟุ้งสั้นมันจะฟุงฟงะฟ้งออกมาให้เราได้รู้จักเลยแหละก็เลยว่านี่วรธรรมนี่วรธรรมก็คือด่านกานจิตแม่บรรลุถึงมรรคความดีไม่ต้องสแสดงตัวออกมาเลยขณะที่เราปฏิบัติธรรมเช่นความเงาเงาหานอนมันสแสดงมันก็บอกเลยว่าจิตไม่ปกติ มันเป็นธรรมชาติแต่มาไม่ถูกเวลาเป็นอกุศลเราต้องจัดระเบียบให้มันอย่งเป็นต้นเดี๋ยวคืนนี้เวลานอนก็นอนซะอันนี้เป็นกุศลทันทีเป็นความฉลาดทันทีถ้านอนไม่หลับไม่มีความงุ่งแสดงเออเป็นอกุศลทันทีความรังเลสงสัยเมื่อที่เราปฏิบัติธรรมรู้อยู่ในโลกใบเราก็สงสัยเออเออนั่นนี่โน่นอะไรทําไมมีคําถามไม่ได้คําตอบปฏิบัติธรรมเหมือนกัน พอเริ่มต้นเราก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมามากมายไม่ยกมือไม่ได้เหรอนลืมตาปฏิบัติทำไมต้องลืมตายเี้หลับตาไม่ได้เหรอจะมีคำถามเกิดขึ้นมาเอ๊ะทำไมที่นี่ก็ทำอย่างนี้ที่นอนทำไม่เหม็นทำอะไรวัดก้างบ้านแม้ปีบัตดมันอย่างนี้เพิ่งเห็นนี่แหละอนี้มันก็จะไม่โปรงใจไรด้วยถ้าเรียนเน้นนิวรรธนธรรมให้วางไว้ก่อนนะความรังเลสงสัย ใช้ส่วนไหนจะได้คําตอบสามวันต่อมาเราจะอ๋อมาเกิดอ๋อขึ้นมาเองไปใหม่ๆ ไ, ไ, ไม่อ๋อเราจะสงสัยให้รู้แน่ียวิจิจฉาความลังเลสงสัยก็จมีศรัทธาลงไปบ้างพุทธิจริตนะพวกปัญญาชนก็จะสงสัยตั้งคำถามเยอะมากแต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาอยู่บ้างก็เอออ่ะไม่เป็นไรไม่เชื่อแต่ก็ไม่ปฏิเสธให้ทําก็ทําง่ายเราก็จะได้เกิดไม้เ่อนมือจับ สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวที่กาลังปรากฏเด่นๆหยาบๆจนกระทั่งเกิดความต่อเนื่องเชื่อมโยงต่อไปนะลุงทีเราทําไปทําไปหนึ่งวันสองวันสามวันปริพเทจะพอไหมปริพเทความกังวลกลายเป็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไหมห่วงเช่นรถจอดไว้เนี่ยมันจะเป็นไงนาะมันจะมีใครมาทุกกระจกไหมเนาหรือว่าที่นี่มีขโมยไหมเนาะมีโจรไหมเนาะของจะหายไหมเนาะ อันนี้จะเป็นลักษณะของปริพเทศเกิดขึ้นไหหรือว่าบางคนอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยสบายหมอนับตรวจคืนนี้ไม่ขอนอนอยู่ในวัดนี่แต่เป็นออเดี๋ยวจะป่วยใกล้ไปสบายไปสะก่อนเป็นลมชักนี่ร้อยกลับบ้านก็ใหล้ลูกให้สามีได้ดูแลอันนี้นเป็นความกังวลที่เราคิดล่วงหน้าไปเป็ น, นของที่เราทําด่านกั้นจิตแม่เราบรรลุถึงคุณงามความดีว่าจะทําดีได้ไม่ค่อย เหมือนกับว่าลาบเลื่อนนะ่ะแต่ความไม่ดีมันจะทําลาบเลื่อนทีเดียวแหละมันเป็นร่องของมันบางคนมีจริต์มินิสัยอยู่นะั่นเราก็ต้องสังเกตเห็นในตัวเรานี่แหละอันนี้ก็เรียกว่าการเดินทางต้องเจอในวัฏฏธรรม์หรือว่าเจอการมเจอพยาบาทเกิดขึ้นไหมอยากเย็นไม่ได้เย็นอยากร้อนไม่ได้ร้อนอยากนอนไม่ได้นอนอยากจะทําอะไรก็ไม่ได้ด่างใจอย่างนั้นไง ต้องรอคําสั่งต้องฟังผู้ที่เหมือนกับว่ากํากับเราหรือว่าคอยประเมินนอกจากกํากับแล้วก็ตรวจสอบติดตามผลแล้วก็ประเมินผลแล้วก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเดย ว, ว่าครูซึ่งเป็นลักษณะของคนที่เป็นผู้นําผู้มีความรู้ม า, มากอันนี้ก็ต้องสังเกตความรับรื่นที่จะเกิดขึ้นมาในสามวันนี้คือ ให้ทําอะไรก็ทําเถอะะให้ยกมือก็ยกเถอะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆบอกอยู่ว่าทำไมนะไรนะมันก็จะกลายเป็นว่าเออง่ายแล้วละได้ยินได้ฟังก็โออหายสงสัยได้เหมือนกันเมื่อการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็มีอันนี้ส่งมันก็ได้ยินในส่วนที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนประโยชนบางทีเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอ๋อมันเพิ่งได้ยินขนาดนี้หรือว่าบางทีเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะ แต่ว่าก็ยังไม่หายสงสัยพอได้ยินได้ฟังที่นี่โอ้มันพูดตรงพูดชัดฮอหายสงสัยไปเลยอย่างเช่นว่าก็าบอกว่าพวกเราชอบมีลักษณะของตันหาอุปทานซึ่งเป็นสาเหตุทีำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาล้วก็ชอบเข้าไปในสังขารการปรุงกันแต่งเกิดขึ้น ม, มันก็ทุกทุกทีเลยเราก็เอออะไรเนาะสังขารสังขารอะไรเนาะตันหาตันหาอุปทานอยย่างี้ พอเราบอกว่าเออสังขารก็คือการคิดการปรงุงการแต่งที่มันเกิดขึ้นมาหรือว่ากายของเราธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมมันประชุมกันแต่พอดีปรุงแต่งแต่พอดีสุขภาพมันก็ดีอา้าวเหลอเป็นอย่างงี้เหลออย่างเงี้ยยิ่งเราไมา่เห็นก็เลยหายสงสัยไปเลยภาคปฏิบัติการลงไปได้ยินได้ฟังมันก็เป็นแค่มโนภาพแค่จินตนาภาพจินตนาการพอได้ลงมือทําเห็นในตัวเองอ้อธาตุน้ําอย่างนี้เนาะ มันแฉะอยู่เนาะโอ้ธาตุดินมันแข็งๆอ่อนๆอยู่ในกระทบสัมผัสนั่งอยู่ก็รู้สึกได้รูปตัวเองเห็นตัวเองโอ้สัมผัสเห็นได้การสัมผัสมาชัดเจน้าลมก็คือนะลมหายใจลมเบื้องบนลมในช่องท้องลมในช่องว่างต่างๆ ล, ลมเบื้องล่างต่างๆมันมีอยู่เราได้สัมผัสตรงลงไปแล้วก็เห็นและวอ กลัมาดูตัวเราก็ต้องเห็นตัวเราชัดเจนเห็นถ้าสีเห็นรูปธรรมนามธรรมแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกันทั้งโลกเลยเทเลมตัวเรารูปธรรมนามธรรมเราเห็นรูปธรรมนามธรรมที่ปรากฏอยู่ทั้งโลกเลยโดยเฉพาะนามธรรมนะที่เป็นเรื่องของจิตใจของเราที่เป็นคิดนึกปรุงแต่งเป็นสมมติเนี่ยนะพอเราเห็น้เรื่องราวต่างๆในโลกนี้ดีๆเชื่อๆสมมุติทั้งหมดเลยคนที่ทะเลาะกันที่ไหนมีผลประโยชน์ที่นั่นมีการขัดแย้งโอ้มันจริงแท้ อีกต่างฝ่ายก็ต่างว่าดีต่างฝ่ายก็ต่างว่าดีพอเราเห็นจริงๆแล้วการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินี้เองเมื่อก่อนเราคิดว่าเออเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวเห็นก็ตายน่าหวาดกลัวจดจํำมาไว้เพราะฉะนั้นภาพของการจินตนาการก็กลายเป็นเรื่องที่มันโอดูแล้วน่ากลัวพอถึงเวลาจริงๆมันก็โอ้อาจจะง่ายก็ได้หลายคนมันก็ฝึกสติเวลาใกล้ตายก็มีความรู้สึกตัวก็ปล่อยก็วางอย่างนี้ เราก็เริ่มเห็นแล้วโอ้มัเกิดที่ตัวเขาที่ตัวเรามีที่เราก็มีที่เขามีที่เขาก็มีที่เราโอ้สิ่งเดียวกันยกตัวอย่างเช่นขนาดนี้เราฟังทำประมาณ20นาทีแล้วก็ปวดขมืเมื่อยพระก็ปวดขมืเมื่อยแม่ชีก็ปวดขมืเมื่อยโยมก็ปวดขมือเมื่อยสิ่งเดียวกันแต่คนที่มีปัญญาเกี่ยวข้องนี่ต่างกันะบางคนก็เห็นแล้วก็จิตใจเฉยเฉยไม่ทรมานบางคนเห็นแล้วก็บน่นโอ้ยอย่างนี้ก็ได้ แต่บางคนก็คือเห็นทั้งระบบเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเจ็บความปวดเกิดขึ้นมาสติก็คู่อยู่เห็นอยู่ไม่เป็นไรเชียทั้งปานก็เดินเต็มที่ร่างกายช่วยเหลือตัวเขาเองเดี๋ยวเราเห็นทั้งระบบเลยเห็นเป็นผ้าไติรักเลยเลยเพราะที่จิตใจของเราความคิดเกิดดับเกิดดับเห็นทั้งระบบเลยเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวตั ว, ตวนั้นอันนี้ก็หมายถึงว่าผ่านนิวรธรรมมาแล้ว มันไม่ติดติดขัดขัดค้างๆ้างคล่องคล่อคาคาอยู่มันผ่านทะลุปโปร่งไปเลยมีแต่ความเป็นปกติมันก็เห็นอะไรมากมายแล้วเนี่ยพระอริยเป็นอย่างเนี้เดี๋ยวนั้นเราเราทําได้ก็ว่าเราทําได้นั่นหมายถึงว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาได้ยินได้ฟังพระสวดมหาแล้วเราก็มีศรัทธาลงไปเจอมันอานาปาติก really ็สามารถบรรลุทำได้ เชื่อมั่นวิธีพุทโธสัมมาหลังบรรลุธรรมได้เชื่ออย่างนั้นจริงๆเชื่อมั่นว่าทุกๆครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงแล้วแล้วท่านก็นมาชี้นําบอกต่อสอนต่อว่าเราไปฝึกแล้วก็ทําตามจริงๆมันก็สามารถเข้าถึงได้จริงๆแต่ว่ามาที่นี้เราพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องการเดินจงกรมการนั่งสร้างจังหวะเป็นรูปแบบแต่ว่าท้ายสุดก็คือเราไม่ต้องใช้หรอกท้ายสุดก็คือะ มันเป็นเรื่องของสติปัฏฐานที่มันทํางานเองเรื่องของสติสัญญะที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เกิดความม่องไวจนกระทั่งมาเป็นไหวพิปฏิพานสติรู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงสติรู้จิตเห็นจิตตามความเป็นจริงอย่างนี้นะมันเห็นแล้วจนกทังมันรู้ตัวสติรู้ตําแหน่งบ้านที่อยู่ของจิตก็คือความเป็นปกติมันเห็นลักษณะของความเป็นปกติชัดเจนจนทั่ง กระทบการลมผ่านตาต่างๆต า, ต า, ต า, ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดความเป็นเองในเรื่องของเห็นสภาว่าเห็นหรือ ว, ว่าได้ยินสภาวะได้ยินกลิ่นสภาวะกลิ่นรสสภาวะรสอย่างนี้นะเพระาะฉะนั้นหลวงปู่เทียนจึงเปรียบเทียบไว้ชัดว่าให้เจาระสติฝึกสติสติจึงเหมือนกับแมวแมวแล้วก็ความคิดเน่ยมืนกับหนูแบบเทียบไว้ชัดเจน ไม่ต้องไปทําอะไรมากแมวจะมีหน้าที่จับหนูเองหรือว่าหนูจะกลัวแมวเองเมื่อเจอเจอกับแมวเนี่ยจะหนีไปเองก็อุปมาอุปไ ม, มกับความคิดของเราเหมือนกับหนูตัวสติปัฏฐานเนี่ยเหมือนกับแมวความรู้สึกตัวเนี่ยคืออาหารของแมวทุกครั้งที่เรามีการเคลื่อนไหวกระทบสัมผัสเป็นการให้อาหารแมวจนแมวจเจริญเติบโตดีแล้วแมวก็จะจับหนูตัวใหญ่ตัวเล็ก ก็เชื่อว่าแมวกับหนูแล้วไม่ถูกกันแน่นอนแล้วก็แมวไม่ต้องเหนื่อยหนูออกจากรูมาเจอแมวก็จะหลบไปทันทีจุดเปรี่ยนขั้นความคิดก็หยุดคิดทันทีมันมีสติอยู่แม้สติจะเป็นเกราะที่จะป้องกันความคิดของเราไม่คิดแล้วก็เกราะคิดแล้วก็โลภคิดแล้วก็หลงคิดแล้วก็รักคิดแล้วก็ชังคิดแล้วเกิดความอิจฉารือสาคิดแล้วเกิดะสมมติมันจัดมากมาย เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอบายภูมิต่างๆเราก็จึงเนี่มารู้มาเห็นโดยการเริ่มต้นเียวฝึกหัดปฏิบัติกันสาหรับบางคนบางท่านที่เพิ่งมาวันนี้แล้วก็ได้ยินคำชี้หรือว่าคำแนะนำที่เราจะได้เหมือนกับว่าทดลองปฏิบัติ ด, ดูมีเวลาอยู่สามวันโดวยว่ากลุ่มครูที่มาโครงการพัฒ น, นาคุณธรรมจริยธรรมที่นะรัฐมนตรีท่านชี้ชัดว่า เพื่อให้เกิดผลในทางเรียกว่าตรงแล้วก็ปฏิบัติการลงไปในเรื่องของจิตที่มันมีวิธีคิดจนกระทั่งเกิดปัญหานี่สินขึ้นมาก็คือคุณครนะูไปกู้สวัสิการหรือวัฒนาการจนกระทั่งเป็นนี่เป็นสินกันจดเกิดปัญหาเรียกได้ว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง จะกระทั่งเหมือนกับว่าเวลาสอนเด็กกาจะมีปัญหามีความทุกข์แล้วก็สอนเด็กอย่างไม่เต็มที่หรือว่าใช้จิตวิญญาณครูได้อย่างไม่เต็มที่เป็นต้นหรือว่ามีปัญหาเรื่องอบายามุขต่างๆติปรีหรือว่าเล่นการพันดนันกินเหล้าเมาสุราจะก่อปัญหาต่างๆได้อีกมากมายจะกระทั่งเหมือนกับว่า ผลของการสอนทําให้เด็กมีคุณภาพต่ําอย่างนี้เป็นต้นว่าขออนุญาตถามตอนนี้เลยว่าคุณครูท่านไหนที่เป็นหนี้บั่งขออภัยนะยกมือขึ้นปฏิบัติครูที่เป็นหนี้เอเบโลงอย่างเงี้ยครูท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องการเรียกว่าเหมือนกับเราทุกข์ใจเรื่องปัญหาลูกหรือว่าสามียกมือขึ้นหรือภรรยาเงี้ยยกมือขึ้นขออภยัยถามนิดยังไม่มีเนาะ อ๋อ ม, ม, ม, มีมีมีมีอยู่ลอมแหลมอยู่ล้ข้างหลังนั้น น, นี่แหละคือลักษณะของปัญหาที่มันจริงๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาก็ได้นะเมื่อเราปฏิบัติธรรมที่นี่สักหนึ่งวันสองวันสามวันอาจจะเปลี่ยนแง่คิดมุมมองใหม่เพราะสติปัญญามันทำให้เราเนี่ยมองรอบด้านมองแบบครอบคลุมแล้วท้ายสุดก็คืออาจจะมีทางออกที่มันตรงประเด็นแล้วท้ายสุดก็คือเคล็ดลับ ปฏิปทาทนี้นจะเกิดสติตสานึกขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คืออะไรที่ทําแล้วเป็นทุกข์นั้มันจะไม่ทํามันช่รู้สึกว่าเออไอสิ่งที่ทำนะั้นก็ทบทวนไปแล้วมันผลเสียมากกว่าผลดีแล้วก็มันเจ็บปวดเข็ดหลาบเรียกว่าสํานึกบาป ม, มีการสํานึกอยู่เนละแล้วก็มันเหมือนกับว่าอะไรดีก็จะทําอารมณ์บุญจะเกิดขึ้นมาระลึกบุญนอกจากมันไม่ทำแล้วมันจะทําดีกลบเช่นเคย เดิมล่าวาวุาัวลายฮะพ้อมปฏิบัติธรรมมันมีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติเนีไอตัวตัวลาที่เราเคยเดิมมันก็จะลดละเลิกไปแล้วก็แถมไปช่วยเนีเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายๆคนเห็นไหมเนี่ยเราเลิกแล้วสุขภาพมันดีหน้าตาผ่องใสมารู้สึกวิธีคิดก็เปลี่ยนไปอะไรมันจะช่วยเหลือสังคมไม่ไปหยดตนไม่มหยดท่านต่อไปอันนี้เบื้องต้นแลยเป็นระดับคุณธรรมยธรรมร่วมสีรธรรม แต่เพิ่มขันที้สุก็คือถ้าเราเห็นความคิดเหมือนกับแมวที่มันตะปบหนูเห็นหนูหรือว่ามันไม่ได้ทําอะไรมันนอนเฉยๆแล้วหนูวิ่งหนีไปเองเนี่ยนะกนั่นหมายถึงว่าความคิดที่เกิดดับเกิดดับเราเห็นเป็นขั้นปรัชถาทสภาวธรรมอันนี้ก็หมายถึงว่าบัดนี้เมื่อตอนปลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่ยมันเป็นกําไรของชีวิตทีเดียวเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดสันติสุขใส่ภาพขึ้นมา ไอ้ตันวนี้เป็นความหวังสูนย์สุดของวัดป่าสุตโตตั้งแต่ผู้สร้างวัดที่สร้างไว้ต้องการให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าสุขกายสุขใจแล้วก็ท้ายสุดก็คือเป็นประโยชน์ตอนประโยชน์ท่านจนกระทั่งทํางานทําการกว้างขวางเกิดสันติสงสภาพต่อไปนีแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะสามวันนี้หลายคนหลายท่านก็ต้องเริ่มต้นแล้วละบางกลุ่มที่มา ก็เคยปฏิบัติมาแล้วจากหลวงพ่อจรรัที่จตุรัสบ้างจากวัดคลองรี่หลวงพ่อสงวนบ้างหรือว่าที่อื่นๆหรือเคยมาสุก โ, โตก็ตามอันนี้ก็เรียกว่ามาต่อ ย, ยอดก็ขอให้การปฏิบัติของเราทั้งหลายไม่ว่าเป็นพระก็ตามเพราะว่าช่วงนี้มันคล้อยไปไท้ายๆภาษาหรือว่าคุณครูหรือว่านักวิบัติที่มาทฏิติที่นี่ หลายวันแล้วก็ตามก็ขอให้อันนี้สอของความรู้สึกตัวหรือว่าการที่เรานะจเจริญสีฐานแล้วก็มีความถูกต้องแล้วต่อเนื่องก็ขอให้อันนี้สองนะพาให้จิตใจของเรานะไปสู่ความไม่ทุกขนะ์จนกระทั่งถึงสภาวะของความเป็นปกตินะตลอดเวลาเวลาเลยโนะดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกวันอันเตือน